สมมติว่าท่านโดนอย่างผมบ้างแต่ความจริงเนี่ยผมโดนมากระบุงใส่ความใส่มันก็ไม่หมดไอเรื่องอารมณ์กระทบแบบนี้ท่านฟังไปแล้วก็ลองคิดดูด้วยว่าสมมติว่าท่านเองโดนเข้าเนะี่ยความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงผมจาเดียนไม่ได้เาไม่ได้บันทึกดูมันว่าจะเป็นระยะ ตอนตอน้ตนปีเมื่อปีพศ .2517 สสปีนั้นเราก็เริ่มจะทำพระอม์บสดก็ใช่แล้วครับต้นปีเพราะว่อากาศยังหนาวหนาวนิดนิดเห็นจะเปลี่ยนเด่งกลมพาหรืออะไรมุกราลาแต่ก็จำไม่ได้อาจารย์วรณีสุนทรเวท คับคณะของท่านมาที่วัดนี้บ่อยๆในการมาวัดนี้ของท่านก็ถูกคณาจารย์เดิมโกรธเช่นเดียวกับสาวกของปริยาของอิตาปริพายชกตะพราหม์คนนั้นแหละเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ผมก็อยขอยกไว้ที่อาจารย์โกรธผมไม่เห็นเป็นเพียงท่านเล่ากันให้ฟัง นี่เรื่องมาชนกับผมเองบ้างหรือว่าอาจารย์วรณีนี่ถวายที่ไว้แก่พระชุดหนึ่งที่ครองสามรังสิตจะเป็นหน้าที่กี่ไร่ในผมจาไม่ได้หน้าที่มากแล้วก็กำลังจะสร้างพระอุโบสถเอาช่างเข็นแปลนเสร็จเอาช่างแล้วก็ช่างไปแล้ววางพังขุดหลุมจเจ้าทีรากฐาน กำลังจะตอกเข็มและก็มีความประสงค์จาบางศีราเริงสำหรับวันนี้อาจารย์วรณีนอกจากให้ที่แล้วให้การก่อสร้างทั้งหมดทนุบํารุงวัดนั้นทั้งหมดที่หมดไปแล้วจะไม่ได้หนื้อที่เพราะว่าคิ่ไปจะเกินกว่า100ร้อยไร่แล้วก็ยังจะให้เมื่อก่อสร้างแล้วก็ยังไม่พอยังจะให้เงินเป็นโมูนิธิสำหรับวันนั้นอีกสัก ประมาณสิบล้านเนี่ยสิบล้านเศษคุณจำไม่ได้ก็สิบล้านเนี่ยสิบล้านแน่แต่ว่าอย่างเศษเท่าไหร่ในผมจําไม่ได้นี่การวางศีราเริกของท่านไม่ทราบว่าท่านมีความรู้สึกยังไงจะนิมนต์ผมไปในฐานะเป็นผู้วางศีราเริกในความจริงพระที่วัดนั้นก็เคยมาหาผม ท่านทำท่าเหมือนว่าจะเป็นบัณฑิตตามที่ทราบมาว่าเป็นนิสิตเกษตรสาเร็จปริญญาจากเกษตรเวลาท่านมาหาท่านบอกว่าท่านต้องการอาภิญญาแต่ผมเองเรื่องอภิาสมาบัติใครจะมายุ่งกับผมผมไม่เอาโดยผมไม่ได้เห็นชอบโดย ผมก็คุยท่านฟังว่าท่านต้องการพิญญาก็ปฏิบัติตามนั้นตามแบบฉบับเท่าแบบปกติท่านทำท่าเหมือนว่าจะเรื่อมใสแต่คนอย่างผมนี่ใครจะเรื่อมใสหรือไม่เริ่มใสผมก็ไม่สนใจถามมาผมก็บอกไปเปื น, นั้นว่ามาถึงเวลาที่จะวางศิราเริกผมก็ไม่ทราบเหตุมาก่อน และไม่ได้ทราบทนหลังเขาบอกว่ามีข่าวไปที่นั่นว่าผมกับเจ้ากรมสื่อสารทหารกายคือเวลานั้นได้แก่พลอากาศตรีหมอ่มอมประิวัดหม่อมราชวงเสริมสุขสวัสดิ์เวลานี้ท่านเป็นพลนอากาศโทเป็นเจ้ากรมสื่อสาราหารจะยกกําลังไปยึดวัดเอามาเป็นไว้ของต น, นต้องคิดข่าวนี้ต้องคิดทำเหมือนกับว่ามันทำ ง, ง่าย เจ้าของเขาก็มีไอ้ที่ดินเขาก็มีชนดพระก็มีปกครองผมจะย่องไปยึดวัดของเขาในข่าวล่วงหน้าไปก่อนถ้าไม่ทราบว่าข่าวไปจากไหนแต่เนื้อแท้จริงๆท่านยำภาพนิมนต์ไปวางศีลาฤกษ์ไเรื่องนี้สนุกคุณเพราะคุณฟังกันแล้วก็ทํากําลังใจให้ดีนะลองคิดว่าถ้าโทรเขาแบบนั้นบ้างคุณจะวางใจแบบไหน นี่ไม่ใช่พรามหงส์ลูกเิษเฉยๆเป็นพรามหงส์สมบัติด้วยเมื่อเวลาไปถึงตอนเช้าผมก็แปลกใจที่มีนิสิตนักศึกศษาของเกษตรเป็นกลุ่มใหญ่ยืนอยู่หน้าทางมีวิทยุติดต่อกันผม่นอยู่ไกลฟังไม่รู้เรื่องผมก็เดินด้วยข็้ขไปตามเรื่องมีคนนำ แต่ที่คนที่อยู่ใกล้กับนิสิที่ปศึกษาพู้เกษียณเมาไล่ฟังว่าผมกับเจ้ากรมสื่อสารทหารกับคณะเดินลงไปเข้าเขตเขาวิทยุถามกันไปว่าเวลานี้พระมหาวีระมาแล้วจะอนุญาตให้ยอมให้เข้าหรือไม่ยอมให้เข้าในความจริงผมไม่รู้เรื่องกับเขาเลยเขายอมแล้วไม่ยอมก็มันเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้แต่ว่า คงได้รับคำตอบมาจากทอนนท์บอกว่ายอมให้เข้าเมื่อยอมให้เข้าไปแล้วยอมหรือไม่ยอมก็ไม่มีใครเข้ามาห้ามผมผมก็เดินไปตามคนเขานาเมื่อเข้าไปถึงข้างในแล้วก็มีอาการแปลกและผมก็มองดูเฉยเหมือนกับว่าไม่มีใครเขาสนใจเจ้าภาพเองเนี่ยให้เงินตั้งสิบล้านเป็นมูลนิธิ และบริจาคที่เป็นบริจาคที่นับราคาหลายล้านและให้เงินอีหลายล้านในการก่อสร้างกําลังจะตอกเข็มทั้งพระทั้งเจ้าหน้าที่ในนั้นก็ไม่ได้สนใจนี่ผมก็แปลกไปเกือบจะหาที่นั่งกัไม่ได้เวลานั้นเจ้าคุณวัดปากน้ำภาษีเจริญปัจจุบันเจ้าคุณเจ้าวาด พระที่นั่นก็มาจากวัดปากน้ําภาษีเจริญแล้วท่านเป็นเจ้าวาดด้วยกําลังเป็นเจ้าหน้าตัวการภาควัดภาษีเจริญด้วยเป็นเจ้าหน้าตัวการภาคสามแล้วก็ตอนที่พวกไปเห็นจะย้ายไปอยู่ภาคสิบห้าแล้วถ้ามานั่งสวดมนต์อันดับแรกที่เราพวกเราเข้าไปกันก็เกือบย้หาที่นั่งไม่ได้เป็อันดับแรกในระยะต่อมา ถ้าเยอคุณท่านก็นบอกนีมนธรรมะาานีมนนั่งที่นี่ที่เขารับมาสดมนด้วยกันท่านก็ขยับที่ให้ในฐานะที่ผลอาโวโสุมากกว่าท่านคนกาหลีก็ท่านว่าเขาไม่ได้มีมนเข้ามาสดมนเข้ามาจําเป็นหรอกครับพขาก็นั่งตามที่ที่เขาจัดให้ต่อจากนั้นไปเรื่องมันก็เกิดโอรพ่อกันขึ้นเป็นนั้นว่าพระที่ ที่เจ้าภาพยกที่ให้ตั้งท่าตั้งท่าพิเศษเมื่อว่าคอยมาทำเงินขายกันก่อนอันดับแรกเขาเชิญพวกโคกเดียวกันมาประชุมตัวหน้าเจ้าคุณแล้วก็เธอเชิญท่านเจ้าพาท่านเจ้าของที่ผู้ให้เงินกันในการก่อสร้างนับล้านแล้วก็จะให้เงินเป็นมูนิีิอีกสิบล้านเพื่ออาจารย์วรณีสุนทรเวท ถ้าไปร่วมปชุมกันตัวหน้าแขกทั้งหมดอันดับแรกก็ยืน่นเงินไขว่าอันขอให้พระองค์นี้ได้เป็นเจ้าวาดปณีเพูดกับท่านยายคนใหญ่ด้วอาจารย์ปรณีบุีอาจารย์ปรีสุนทรเวทผมก็แปลกใจว่าเอ๊สำนักนี้เขาสอนพระกรรมาฐานกันทำไมอยากเป็นเจ้าวาด เป็นหรือไม่เป็นมันก็เป็นอยู่แล้วอาจารย์สุนทรอาจารย์บรณีสุนทรเมฆก็บอกไม่เป็นไรท่านท่านต้องการเป็นเจ้าวาดก็เสแล้วแต่แต่คุณใหญ่ไอ้องหนึ่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเมื่อตกลงแล้วก็ต้องให้อตมาเป็นรองเจ้าวาดนี่ยืนย่นเงื่อนไขกันแปลกๆขอ้อเหอาการอย่างนี้พระในพระพุทธศาสนาเขาไม่ทากัน ผมก็นั่งดูอาจารย์วรณีสุนทรเวทท่าก็ไม่คายค้านผมก็ตามใจวัด น, นี้ฉันถาวายพระพุทธศาสนาก็สุดแล้วแต่ท่านจะคุณใหญ่ถ้าว่าผมฟังไม่ผิดนะผมนั่งไกลแล้วต่อไปก็มีการวางเงื่อนไขอีกว่าการวางศิลาฤกษ์วันนี้ต้องไม่ใช่มหาวิระวางขอให้ท่านจะคุณใหญ่วางศิลาฤกษ์ ตอนนี้รู้สึกว่าคณะของทายภาพจะหน้าไม่ดีแต่ผมก็บอกไปว่าเรื่องการวางเสลาเลิกความสำคัญมาวันนี้ทศภาพนีมนมาแต่ได้ว่าถ้าไม่ให้วางก็ไม่เป็นไรหรอกผมก็ไม่อยากวางให้วางศีลาเรื่องกเอาเห็นไม่วางผมไม่เห็นมันมีอะไรแต่ว่าขณะนั้นคนที่ฟังฟังกันเขารู้สึกว่าเขาสงสารผมแต่ผมไม่เคยสงสารตัวเขเองเลย เพราะว่าไอเรื่องท่านหลายเหล่านี้พุ่นโดนมันหนักมันหนักกว่านั้นแต่ไปที่น่าแปลกใจว่าท่านเสริญพระกรรมฐ า, านกันยังไงทำไมทั้งแบกกินเลสต้องการลาบต้องการยดกันนี่ผมนั่งปรงธรรมสังเวชของผมคนเดียวแต่ว่าคนอื่นน่ะนะเขาสงสารผม เขาคงจะสงสารในฐานะที่ผมน่ถูกนิมนต์ไปให้วางศีราเรืดแต่ว่าทางวัดนั้นไม่ต้องการให้ผมวางศีราเรืดแต่ใครคนอื่ น, นเขาสงสารผมผมกลับไปสงสารพระที่วัดนั้นและท่านเจ้าคุณวัดเจ้าวาดวัดภาษีวัดปากน้ำภาษีจเจริญ ว่าท่านในฐานะเป็นผู้ใหญ่แท่งคงจะอายมากแล้วผมก็ไปสงสารเจ้าเจ้าภาพว่าเจ้าภาพทุ่มเทเนื้อที่ไปมันผมเข้าใจว่าถึงร้อยไร่นะครับผมจำไม่ได้เนื้อที่มากจริงๆเนืทุ่มเทเงินก่อสร้างเอาไปเป็นลานแล้วที่ท น, น, น, ท น, นั้นแต่ได้ว่าพระที่ให้ไปอยู่ที่นั่น กลับเป็นฝ่ายยื่นโนติจอาอย่างนั้นอย่างนี้พอท่านบอกว่าถ้าวัดนี้ต้องยอมให้องค์นั้นเป็นเจ้าวาดแล้วต้องยอมให้องค์นี้เป็นรองเจ้าวาดอันนี้ผมอายชาวบ้านเขนเกือบตายเพราะว่าชาวบ้านที่นั่งอยู่ที่นั่นนับร้อยผมรู้สึกอายจริงๆครับ ไม่ได้อายชาวบ้ายเขาในฐานะที่ผมไม่ได้วางศีรษเดยอันนี้ไม่เกี่ยวผมไม่มีความรู้สึกอายเขาไม่คิดเลยว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อายแทนท่านเจ้าคุณใหญ่วัดปากน้าประสิทธิ์เจริญที่รู้สึ์ของท่านสามารถยื่นโนติเกะท่านแบบนั้นแล้วก็อายแทนท่านเจ้าภาพผู้บริจาคทรัพย์ ว่าท่านบริจาคทรัพย์หน้าที่มากราคานับล้านแล้วก็บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างไปแล้วนับล้านกำลังจะสร้างพระอมโบสถอีกระคานับล้านในช่างกวางผังแล้วกำลังจะตอกเข็มมาเกิดยุ่งกันตอนนี้แม้แต่ข้าวพวกเราก็เกือบจะไม่มีกินกันนี่สมมติว่าเป็นกำลังใจของท่านถ้าไปโดนข้าแบบนี้ ท่านจะนึกโรยใครสักคนไหมเนี่ยเรื่องจริงๆก็มาพูดนะท่านนั้นหลายที่กำลังศึกษายู่เวลานี้ก็เหมือนกันต้องเตรียมตัวเตรียมเตรียมใจในอาการอย่างนี้ไว้ด้วยาการที่เราถูกเชิญไปในที่ต่างๆนะต้องระมัดระวังไว้ว่าดีไม่ดีงานที่เขามอบหมายให้เราเนะี่ยมันอาจจะกลายเป็นประเภทผมแต่ผมโดนมาซะเยอะมช้ำ โดนมาจนหนังชาชาจนถึงที่สุดจนเวลานี้ไม่ชาแนละ้วมันหมดความรู้สึกเมื่ออาการอย่างนี้ปรากฏผมก็สงสารแทนที่ผมจะอยาอายนะยผมไม่อายใครเลยถ้ารู้สึกมหว่าผมหน้าด่านมากใจของผมเวลานั้นมันสบายๆจนหคนไม่มีความรู้สึกอะไร แล้วกลับไปสงสารคนอื่นคนอื่นเขาสงสารผมคงจะสงสารในฐานะว่าวเสียหน้าที่เขาไม่ยอมให้วางศิลาเลยแต่ท่านเยภาพก็พยายามในท่านสุดท้ายก็ให้มัเอาไปพรมน้ำมนต์แล้วก็โปรยเขาต่อดด อ, อกไม้ผมสงสารท่านเย่ภาพแล้วก็ไปสงสารพระชุดนั้นสงสารท่านเดยวคุณใหญ่วัดปากน้ำาภาสีเจริญ มามองดูหน้าท่านแล้วรู้สึกว่าท่านสลดมากเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านคาดไม่ถึงว่ารู้สิกของท่านจะทำอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าท่านจะมีความรู้สึกอย่างผมแล้วไม่นี่ผมไม่ทราบนี่ผมคิดเอาเองแ้วผลงานต่อไปที่มันจะเพิเกิดขึ้นกับพระประเภทนั้น นั่นก็คือเจ้าภาพจะทำการสร้างโบสถ์ราคาเป็นล้านช่างก็ไปแล้วเข้มข้มไปแล้วเสร็จงานสร้างโบสถ์หลังนั้นถูกงดคือไม่มีการสร้างต่อไปเจ้าภาพท่านตัดสินใจว่าส่วนใดที่เสียเสียแล้วเสียไปแต่ของใหม่ไม่ให้ก็คือบอกเลิกการก่อสร้างพระอุโบสถกับช่าง นนในการต่อมาทราบว่าเงินบุญนิธิสิบล้านที่ท่านจะให้ท่านก็นถอนใจไม่ยอมให้เสียเลยเอาเงินจำนวนนี้ไปก่อสร้างทาวอร์ะวัตถุใหม่ที่อื่นคือเป็นศาลาการเปลี่ยนที่วัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญกับวัดอะไรอีกวัดหนึ่งที่เจ้าคุณวิเชียนไปเป็นเจ้าวาด เป็านันว่าพระคณะนั้นที่มีความมุ่งมา่อยากจะได้ทรัพย์ถินประมาณถึงสิบล้านบาทโมนิธิก็ไม่ได้แต่ก่อนที่ไม่ได้นั่นน่ะมันมีอย่างนี้อีกคือท่านจะภาพมาบอกผมฟังบอกว่าพระวัดนั้นนั่นแหละที่เป็นไว้ของท่านสร้างให้เมื่อท่านถอนอเมื่อท่าน เรียกว่าในระยะแรกที่เป็นการตกลงว่าใครต้องเป็นเจ้าวาสกันมาแล้วหลังจะไั่งงานเสร็จผ่านไปก็จะมาขออนุญาตเป็นเงินที่ก็ฝากไว้ที่ธนาคารใดทา ง, งานพันหนึ่งจะขอย้ายจากธนาคารนี้ไปธนาคารโนอนอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยังต้องการแบบนั้นมาทราบจากเจ้าหน้าที่ธนาคารคนหนึ่งบอกว่า ถ้าย้ายเงินจากธนาคารนี้ไปธนาคารโนนมันได้อะไรค่าเขาไม่ชั่นค่ารางวัลอะไรก็ไม่ทราบมันได้เงินเป็นกรณีพิเศษก็ยอย่างนั้นผมก็ไม่รู้เป็นอันว่าเงินสิบล้านท่านเจ้าภาพก็ไม่ให้ในการก่อสร้างต่อไปท่านเจ้าภาพท่านก็ไม่สร้างแล้วเจ้าภาพก็ตัดย้ายขาดมิจจะพรคณะนั้นทั้งหมด ส่วนที่เสียไปแลกกี่ล้านบอกให้ผ่านไปแต่เรื่องใหม่ไม่มีน เ, เรื่องอย่างนี้นี่เราพูดกันทั้งเรื่องของโทสะผมคิดว่าถ้าท่านนันหลายไปโดนเข้าแบบผมดีไม่ดีท่านจะมา น, นึกคิดว่าโอ้ยเขนที่มณเรรมาในงานวางาเสียดาฤกถ้าเราไม่มาเราก็จะอาย แล้วก็อย่าเสียกำลังใจดีไม่ดีจะไปโกรธเขาถ้ า, าการอย่างนั้นปรากฏแล้วก็ทำใจใช้สบายแล้วก็จงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปว่ า, าการอย่างที่ผมพูดมานี่แล้วก็อีกแบบอีกหลายอย่างท่านทั้งหลายที่ยังมีชีวิตจะต้องผ่านไปมากจะต้องประสบพบเห็นและอาจจะได้กับตัวเองของท่าน แต่การอย่างนั้นมันปรากฏถ้ามีใครเข้ามานิมนต์ไปก็ดีเชิญไปในกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีคอยไปตามหน้าที่ของพระทำใจให้สบายๆคิดว่างานนี้เขาให้เราทำเราก็ทำถ้าไปแล้วเขาไม่ให้เราทำเราก็ไม่ทำอย่าทำกําลังใจให้มันเสียอย่าไปโกรธคนนั้นอย่าไปคิดว่าคนนี้ ถ้าไปโดนการอย่างนั้นขึ้นก็อย่าไปคิดว่าเขาหักหน้าเราความจริงหน้าเราใครหักไม่ได้หักไม่ลงหรอกมันแข็งมีกระดูกเราก็ควรจระรบารมีธรรมพระองค์สัองค์สมเด็จตัสมาสมพริเจ้าว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยงวัตถุ ก, ก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยง ถ้าการอย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็ควรจะเกิดสังเวทใจสงสารเขาว่าเขาพูดนั้นไม่น่าจะเสียสัจจะเขาพูดนั้นไม่น่าจะทิ้งจริยาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเการอยากเป็นเจ้าวาดการอยากเป็นรองเจ้าวาดนี่มันเป็นเรื่องของความโลภในยศมันไม่ใช่ของดี แล้วอเวเหตุการณ์หนึ่งการไปรยืนหยัดให้บังคับในการสร้างพระมโบสถเป็นไปไม่ได้ที่เป็นการทำลายทรัพย์สินของพระพุทธเจ้าทำลายศรัทธาแล้วควรจะสงสารเขาว่าเขาทำตัวผิดไม่แค่สงสารเราแล้วก็ควรจะสงสารท่านเจ้าของทรัพย์ว่าพระถมผีไป กรรมอะไรของท่านหนอที่ไปเจอเอาพระจังไรแแบบนี้เขา้าที่เป็นว่าทําให้ใจท่านเศร้าหมองแต่ต่อมาผมพยายามระบาลมให้ใจท่านสบายแม่ควรย่ญญาสงสารท่านผู้ใหญ่ท่านที่เป็นผู้ปกครองที่ฤกษ์ของท่านหักหน้าท่านไม่ใช่หักหน้าเราทําเอาท่านเสียกําลังใจจนเห็นชัด นี่แหละบรรดาท่านพุ้ตรบริษัทและพโยคาวนจรทั้งหลายตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรเล่ า, าเรื่องความโกรธผมเลยเอาเรื่องความโกรธมาพูดว่าพระพุทธเจ้าถูกคมว่าพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่โกรธแต่ความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจา้าวันนั้นไม่ทราบกกำลังใจมันยังไงมันเฉยเฉยปกติไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลย เมื่อเขาค้านผมก็ดีใจบอกไม่ต้องทำงานไอ้ตอนที่เขาไปยื้อแย่งกตําแหน่งเจ้าวาดรองเจ้าวาดกันนี่สิผมอายแทนนักเกินในฐานะที่เป็นพระเหมือนกันในเรืสงสารเจ้าภาพนว่าท่านลงทุนขนาดนั้นยังไม่มีคนรักท่านมีคนทําลายท่านสงสารท่านเจา้าวาดวัดปากน้าําปาษีเทเริญในฐานะที่เป็นเจ้าวาดด้วยเป็นพระราชาคณะด้วยเป็นเจ้าหน้าตัวการภาะด้วย แต่รูปศิกของท่านไปทำอย่างนั้นน่าสุสาน์มากพระเอ้ที่นี้ไปเ้าบรรดาท่านหลายจงพยายามรักษากำลังใจเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างนี้ว่าถูกใครเขาขาดคอขาดใจที่ไม่ประกอบว่าได้เหตุผลก็ยังทำอย่าทำกำใจกาลังใจของตนให้มันขึ้นขึ้นงลงลงวางใจไปโอเบคา